بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام ا ل على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى م ا ل د ي ن ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنين سورة الأنفال تمي ب ر ئ ا ن ي نا สนใจ التي พูดอยู่เสมอกับพี่น้องว่าบางทีเนี่ยไม่ใช่บางทีนะครับบ่อยครั้งอุรานจะเปิดเผยมุมที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นด้วยสัมปัตของตัวเองซึ่งการที่เปิดเผย มุมนั้นจะทำให้เราได้เข้าใจอริบุอะไรหลายอย่างมากขึ้นบางทีเป็นมุมของตัวเราเองนะ ม, มุมมุมของตัวเราเองเราเชื่อไหมว่ามีบางอย่างในตัวเราเรามองไม่เห็นแพทย์ทุกวันนี้เนี่ยก็สารภาพว่ายังมีเยอะ ในตัวมนุษย์ที่จะต้องสัจจะบอก็บอกในส่วนของสิ่งเรียกว่าในตัวพวกเจ้าไม่มองบ้างหรือไม่ใช่มองในสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็นนะไม่มองในเดชานุภาพความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่สร้างไว้แล้วก็พวกเจ้ายังเข้าไม่ถึงไม่ไม่พิจารณาบ้างหรือเพื่อพิสูจน ในความอ่อนแอของมนุษย์ความิ่งใหญ่ของพระเจา้าที่จริงมุมนี้มันเป็นมุมสำคัญที่จะทำให้เรายอมรับสภาพของตัวเองมนุษย์จะเปลืองกำลังของตัวเองในสองกรณีกรณีที่ ไม่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอแค่ไหนและในกรณีที่นึกว่าตัวเองอลังการขนาดไหนไม่รู้ว่าตัวเองนี่อ่อนแอแค่ไหนทำให้ตัวเองนนึกว่าเออทุกอย่างเราต้องรู้เหรอรายละเอียดบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของเรา ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเราไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในในส่วนที่เราสามารถเอื้อมหยิบได้พ่าก็ไม่ได้บังคับให้เราให้เราต้องต้องจัดการดูแลแต่เราคิดว่าหรือเราไม่รู้ว่าเราอ่อนแอแค่ไหนนะแต่เราคิดว่าเออแต่เราต้องทํา ในหลักการศาสนาก็มีหลายอย่างคือถ้าเรารู้ความยิ่งใหญ่ของลอสุภาานวาตาอะไรเหมือนที่มาลาอิก้าเขาเห็นนะเราสร้างมาลาอิกะบางท่านเนี่ยสู้ยุตตลอดชีพรูก้กูตลอดชีพมาลาอิก้าไม่รู้จะทำอะไรที่จะสะดุดีอัลลอ์ดีกว่านี้เห็นเห็นอ<ะ>ัลลอ์ ความวิใหญ่ของพระเจ้าแต่ของเราเราก็ความวิงเหญื่อของเราแต่ความอ่อนแอของเราเอามาทำไม่ได้บังคับให้เราทําขนาดนั้นแล้วบางทีบางทีงทเราไปแบกภาระในเรื่องการทําไมบาดาเกินความสามารถเกินที่ศาสนาบังคับเกินที่ศาสนาใชา้ แล้วเราเข้าใจเองว่าแบบนี้เนี่ยเราแจ๋วเราทำดีเรา เ, เรากาลังเสวงหหาพอพระไทยอ่อนสุขานวดาละซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่มันเหมือนว่าตั ว, ตวเองไม่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอขนาดไหนหรือพระเจ้ารู้แล้วว่าเราเรามีความสามารถแค่ไหนก็ใช้เราให้ทำแค่นั้น การที่เราเชื่อฟัง Allah เนี่ยวันนี้จะมีพูดเรื่องเชื่อฟังการที่เราเชื่อฟัง Allah เนี่ยไม่จิกทำส่วนที่เราคิดว่าแบบนี้เนี่ยเราทำแล้ว Allah จะชอบไม่ใช่คือถ้าศา ส, สนาแบบนี้นะก็ทุกศา ส, สนาก็จะเป็นศา ส, สนาคิด แต่ศาสนาของพระเจ้านี่จะเป็นศาสนาคิดได้ไหมสาภาพที่สองนึกว่าตัวเองอลังการขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนมันก็จะนำมาซึ่งความอยาโสความตะกับุกทำให้ตัวเองจะต้องมีพฤติกรรมที่มันเกินความสามารถของตัวเอง พร่เราคือหลงตัวเองว่าเป็นพระเจ้าจริงพูดลั่นวาจาออกมาทำให้ตัวเองมีไหยนะเพราะตัวเองนึกว่ามีอำนาจขนาดไหนฉะนั้นที่ส ำ, สำคัญถ้าเราได้เห็นกุรอ่านกำลังเปิดเผยมุมที่เรามองไม่เห็นผมมองนะ่ะ ผมมองว่ามันมันเป็นส่วนสำคัญมากของบทอเนกของอายะที่จะกล่าวอะไรกับเราเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าล ى กำลังบอกกับเราว่านนี้มุมที่ตัวเองมองไม่เห็นเนี่ยมองให้ดีเดี๋ยวถ้าตัวเองหลงแล้วก็ไม่เห็นความชัดเจนในตรงนี้เนี่ยมันก็จะพาเราไปไปสู่ สภาพที่ไม่ดีงามสำหรับชีวิตของเร า, าการหลงของชาวกุรชในสงครามบัดเขาหลงถึงขนาดที่เขานิกว่าตัวเองเนี่ยดูแลกาบะดูแลมักกะดูแลแผ่นดินฮรอมทำบุญคนไป ไปทำฮ aji เนี่ยเขาก็ให้อาหารครอบครองบ่อน้ํำจาๆเขาก็วิดบ่อแล้วก็แจกน้ําให้ทุกคนที่เข้ามาเยือนมากกะเขาถือว่าเขาทำบุญนะนะทั้งทั้งดี่เขาก็กินเหล้าเขาก็กินดอกเบี้ยเขาก็เล่นกันพ น, นันเ ข, า ก, ขาก็มีโสเภณีทั้งนัทั้งหมดนะแต่เขามองไม่เห็นว่าจุดบอดจุดอ่อนความอ่อนแอของเขาเนี่ย มันอยู่ตรงไหนบางอาจก่อนที่จะออกไปสงครามอ่ะก่อนที่จะออกไปสงครามบ้าไปที่กาบาแล้วก็ไปดูอากันดูอากันขอความช่วยเหลนะือจากอัลลอฮ์แต่สำนวนดูอานี่ที่อับบาสไเรงนดเร่งงานเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าบางทีเนี่ยมนุษย์เนี่ย ครมที่จะหลงแบบหลงสนิทเลยนะสำนวนดูอานนี่เขาบอกโอ้อระเใครทีทำดีที่สุดในสองหมู่คณะเนี่ยเราหรือมุฮัมมัดนี่นะให้เขาได้รับชัยชนะเขาหลงขณะดีีเขานึ ก, กว่าตัวเองเนี่ยดีดีกว่าในะมุฮัมมัดนะโอ้อระเจ้ใครที่ตัดญาติตัดพี่น้องสร้างความเลวร้ายกับคนอื่น ขอให้ในภายแพ้ในสงครามนี้ขอตอา ล, ลับในสิ่งที่เขาเหมือนเหมือนมองไม่เห็นว่าตัวเองอะไรอะ่ะแล้วก็ท่านนาบีมุฮัมมัดดิก็ไม่ใชไม่ใีคนมาจากมนุษย์ต่างต่างดาว ก, ก, ก็เกิดเติบโตกับเขาเขาก็รู้ศีและธรรมของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นยังไง เสสนาของท่านความดีไม่ต้องพึ่งเสสนาเพราะเขาไม่ยอมรับในเสสนะความดีของท่านนบมบฮมบันเนี่เป็นยังไงแต่บางอาจขอดูอาแบบนี้นั่นแสดงว่ามุมมืดของตัวเองที่เขามองไม่เห็นมันก็เป็นบทเรียนให้เราได้เข้าใจว่าทําไมถึงคนบางคนเข้าใจว่าตัวเองทําความดีอยู่ เข้าใจว่าตัวเองอกำลังกาลังยึดมั่นในความถูกต้องอยู่แต่สิ่งที่เขามองไม่เห็นหรือจุดบอดของเขาเนี่ยเครื่องมือในการที่จะพิชิตพื้นที่บอดเนี่ยเขาไม่มีชาวกรชกับชาวมักะกับท่านในาบีเนี่ยข้อแตกต่างอันเดียวเลย นี่อาหรับนี่ก็อาหรับนี่กูเรชนี่ก็กูเรชเหมือนกันนะเผาเดียวกันนะอ่านี่ก็กินแบบไห น, นเขากินเหมือนกันนะคือทุกอย่างเนยข้อแตกต่างชัดเจนคือเรื่องเดียวพอไปเห็นสภาพสภาพของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็จะเห็นคุณค่าของเครื่องมือในการพิชิตพิชิตจุดบอด พอมีปัญหาอะไรในชีวิตเนี่ยเราอย่าไปหลงประเด็นของรายละเอียดสถานการณ์แสงสว่างที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่การที่เราได้มองด้วยสัจธรรมที่เมาให้มา ถ้าหากว่าเรามีจุดยืนแล้วก็มีท่าทีแต่มันขาดคุณสมบัติของคําสั่งสอนนี่นะฟันทงได้เลยหลงแน่นอนบอดแน่นอนแต่เราถ้าเราเข้าใจว่าเรากําลังทําความดีแต่ส่วนความดีที่เรากําลังทําอยู่มันมีส่วนหนึ่งที่มันขัดกับ และการศาสนายอย่างชัดเจนอย่างสิ้นเชิงอย่างเงี้ยให้รู้ได้เลยว่าเรากำลังหลงกับความดีนั้นๆที่เราเข้าใจว่ามันเป็นความดีเหมือนที่ชาวกูเรชเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองบุรณะกับว่าเข้าใจว่าตัวเองทำความดีแต่ที่จริงอัลลอฮสุบฮานาหัวจาเราได้บอกว่าสภาพของเขาเนี่ยมันมันฟ้องตัวเองแลยแคะนั้นในสุรั ن ِ س ُ و ر َ ة ا ل ْ أ َْ ف ا ل َ نِآياتِ سِكَعَني ا ل ن َّ ص ُْ ح َ ن ُ و ت ع ا ل َ ى د ِ ي ت ََ ت ْ و َ ي و ا ن َ ر د َ ع و ذ ب ِ اللَّهِ م ِ ن ا ل ش ّ ي ط َ ا ن ِ الرَّجِيمِ إ ِ ن تَسْتَفْتِحُ فَقَدْ جَاءَكُمُ ا ل ْ ف َْ ح ُ و َ إ ِ ن ت دَنْتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ و َ إ ِ ن تَعُودُ ن َ ع ُ و د وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ ك َ ث ر َ ت ْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْ หากพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขัดเนี่ยประโยคเนี่ย interspectivo รกากศัพท์ของมันเนี่ยคือฟาตาฮาฟาตาฮาแปลว่าเปิดถ้ามีตัว a ลีฟซีนตามาประกบกับกริยาเนี่ยก็จะมีความหมายว่าข อ, อฟาตาฮาเปิด ispecta ha ขอเปิด อินเตสเตฟติฮุบเพวกเจ้าขอให้มีการชี้ขาดถ้าทำไมถ้าไมไม่แปลว่าฟาดาอิสต์ดาฮานีแปว่ขอเปิดอัลฟัดฮ์ตรงเนี้ยฟาถอดตรงเนี้ยก็หมายถึงว่าเปิดหรือเบึกทางสู่ชัยชนะอิแจจาะ نصر ุลอฮฺอัลฟัดฮ์เนี้ย พิชิตชนะพวกเจ้าให้อัลลอ์ชี้ขาดว่าควรสนับสนุนใครให้ชนะใช่ไหมพวกเจ้ามอบหมายให้อัลลอ์ได้ตัดสินว่าใครอยู่ฝ่ายถูกต้องแล้วให้สนับสนุนเขาใช่ไหม อ, อยากได้เบิกทางให้ความจริงประจักษ์ชัด ให้ ช, ชนะได้ประจักษ์กับกลุ่มที่ควรชนะใช่ไหมเนี่ย yeah. ชีขาดซึ่งที่ไปที่มาของอายะนี่ก็หมายถึงว่าที่อบูแยลและก็ชาวกูเรชเนี่ยก่อนที่จะออกไปไปสู้รบกับนนะบีเนี่ยเขาก็ไปดุอาอย่าลืมว่าชาวกเดบางคนอาจจะงงเฮ้ยยิ่งถ้าเราบอกว่าพวกมุชริกีน เขาไปกะอาบ้าไปดุทิศอุษฎิกีมาุิศอัเาได้ไงก็ต้องเข้าใจว่าชาวกุเร่ชาวมักกะเนี่ยดั้งเดิมศาสนาเขาเนี่ยศาสนา نبي อิบรอฮีมเชื่อในอัลลอฮ์ว่าแล้วอินสั่งถามเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยครูลุนอลลอฮ์เขารู้เรื่องพระเจ้าเนี่ยเขายอมรับแต่ปัญหาของชาวกุเร่เนี่ยคืออะไรอุษฎิกีเนี่ยคือตั้งภากีมีพระเจ้าองเดียวละ เอาเจเวันนู้นจเจวันนี้แล้วก็มาแขวนที่กาบ้าแล้วก็ไปขอมันถ้าดูความบางอาจของของชาวกูเรเชชนะคือเขารู้ว่าท่านนายมูฮัมมัดไม่เชื่อในในเจเวัอื่นๆเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวแตตอนนี้ก็ไปขอดุกอานี่ก็ไม่ได้ขอเจเวัอื่นขออัลลอฮ์อย่างเดี้ยเหมือนมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยแจวบันนาบีเนี่ยจวบนัน เพราะกกุมุลฟ้าแน่นอนการชี้ขาดนั้นก็ได้มาอย่างพวกเจ้าแล้วก็คือชัยชนะที่อัลลอฮ์ได้ตัดสิ่งให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลมอหอะ์อิสันมันประจักษ์อย่างที่ไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าชัยชนะนั้นมาจากอัลลอ์ชัดีจนคือแต่ชาวกุเรชกองทัพเขาพันหนึ่งและนาบีพันหนึ่ง สู้กันสูสีแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าเออมันก็อาจจะนบีก็อาจจะด้วยความสามารถไงแต่ไม่ใช่นี่ไปพันหนึ่งนี่สามร้อยอาวุธนี่ก็คนละเรื่องฟ้ากับเหวเป็นการชี้ขาดเป็นการประกาศชัยชนะจากอัลลอฮ์สุบฮานาวาดาอะไรอย่างชัดเจนซึ่งมันก็เพิ่มหลักฐานยืนยันกับ พวกมุชริกีนทั้งหมดเลยเนี่ยที่มักกะวะที่เขาเข้าใจผิดเนี่ยเขาต้องทบทวนซึ่งเรื่องนี้สงครามต่างๆที่กูเรชเขาจะพ่ายแพ้ต่อท่านนาบีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะทบทวนคนที่เข้ามารับอิสลามกันที่หลังอะนะเนี่ยแล้วก็ก็ยังอยู่ที่มักกะยังอยู่ฝ่ายของกุเรชแล้วก็ยังสู้กันนบนบีแล้วก็ หัวใจเขาเนี่ก็ยังแบ่นสู้นะจะของนบีก็ดีเหมือนกันน่ะแต่ของเราก็มีดีเหมือนกันน่ะจะเอาอยัางไงดีจะเจอแต่ละแต่ละเหตุการณ์ที่ทำให้เขาได้เห็นความประยักษ์ชัดของความจริงและจะทำการชี้ขาดของพระเจ้าที่ตัวเขาเองเขาเชื่อเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ว่าว่ามันมาโดยโดยบางเอคนว่าอินตันตะหูฟะฮูขัยรุลละกุมละเถากพวกเจ้าหยุดยั้งมันก็เป็นการดีแก่พวกเจ้าอินเตะหู ก, ก็คือหยุดยั้งในการที่จะเอ่อกล้าให้อัลลอฮ์ชี้ขาดคือจะพวกเจ้าทุกครั้งนี่ขอให้อัลลอฮ์ชี้ขาดว่าใครเป็นฝ่ายชนะนี่นะอัลลอฮ์จะให้นบีชนะเสมอ แต่ถ้าพวกเจ้าหยุดสถทีนะหยุดที่จะหลงตัวเองหยุดที่จะเข้าใจว่าพวกเองมีมีโอกาสที่อัลลอจะช่วยเหลือพวกเจ้าอะนะเราก็จะไม่เราก็จะไม่ทาก็หมายถึงว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ใช้เวลาในการที่จะทบทวนตัวเองดีกว่าท่าทายอัลลอสุบฮานอูะะอันนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีบทเรียนสำคัญสำหรับ ตัวเราทุกคนนะพะคนเราทุกคนเนี่ยแต่เวลาเราจะมีปัญหากับต่างศา ส, ะสะนาแล้วเราจะเป็นฝ่ายหรือไม่ต้องบงปัญหาด้วยกันเองเนี่ย แล้วเราจะเป็นฝ่ายอธรรมอย่าเอาความดีของตัวเราเนี่ยมารับรองความชั่วไม่ต่างอะไรกันเราเราก็ละหมาดเนี่ยเราก็เออ น, นั้นแสดงว่าเราถูกต้องอาลไม่พิจารณาไอ้ความผิดเนี่ยมนผิดหรือเปล่าหรือ ม, ม, ม, มุสลิมเนี่ยไปเอ่อไปล่วงเกิน ทรัพย์สินที่ดินอะไรของพี่น้องต่างสนิดเขาไม่ใช่มุสลิมแต่เราเป็นมุสลิมแสดงว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่าอ๋อเป็นมุสลิมแสดงว่าอธรรมเขาได้ไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมไปตบหน้าเขาได้ไปซุลุมไปละเมิดล่วงเกินเขาได้เขาก็ต้องเป็นมุสลิมนี่เราไม่ใช่ทำแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวกุรชนั่นหมายรวมว่า ไ อ, อ้เดียวอินเตอร์สติพูเขบอกเจ้าขอคำชี้ขาดอัลลอฮ์จะชี้ขาดตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าเราขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับมุสลิมด้วยกันด้วยขัดแย้งกับพี่น้องต่างศาสนาความขัดแย้งนี่ดูตามเนื้อผ้าอย่าเอาความดีอื่นนะมารับรองมารับรองความชั่วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อ ให้ความชั่วเนี่ยถูกมองว่ามันมีความชอบอันตรายมากมีไหมเรามีไห้เราไม่มีบางทีเข้าใจว่าการละหมาดของตัวเองและะ้วต็กัรยุดของตัวเองถือสิทธิดของตัวเองบริจาคของตัวเองความดีอื่นๆของตัวเองมันจะมารองรับความผิด ความผิดอื่นๆที่มันผิดชัดนะ ว, ว่ามันจะมันจะต้องถูกเสมอเพราะเขามีความดีอื่นๆไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยและอันตรายของประเด็นนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวความดีที่เราได้ทำเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นรายละเอียด มันเป็นรายละเอียดที่อุลมามะของวิชาตวุภเนี่ยเขาจะพูดบางทีเราทำความดีทำเพื่ออัลลอฮ์ทำลิลละตรงนี้เนี่ยบางทีมันมีรายละเอียดยิบอก็ทำเพื่ออัลลอ์ก็จริงน่ละแต่ทำเพื่อตอบใจตัวเองว่าตัวเอง มีความชั่วอย่างอื่นและให้ความดีเนี่ยมาการันตีสภาพของตัวเองเพื่อไม่ให้ความชั่วของตัวเองถูกประนามว่าเป็นความชั่วหรือเปล่าเราทำแบบนี้หรือเปล่าเราทำความดีเพื่อกุบความชั่วหรือเปล่าเราทำความดีเพื่อเรียกความชอบให้ความชั่วของเราหรือเปล่า พฤติกรรมของเราโ อ, โอ้ผมไม่ชอบชี้คนอื่นนะผมจะว่านี่ก็ว่าตัวเราเองพฤติกรรมของเราบางอย่างนี่ก็บางทีมันก็ฟ้องนะว่าความบริสุทธิ์ใจเนี่ยในการทําความดีเนี่ยมันต้องมันต้องทําให้เราได้แยกแยะมาตรฐาน ง, ง่ายๆที่จะแยกแยะ ก็คือดีมันก็ดีชั่วมันก็ชั่วดีนี่มันมันไม่สามารถที่ทําให้ชั่วเนี่ยเป็นเรื่องดีกรณีที่เรายอมรับว่ามันเป็นความชั่วยอมรับว่ามันเป็นความชั่วและทำความดีเพื่อจะลบล้างความชั่วหรือทำความชั่วแล้วก็ขอลูกกก่โทษต่ออัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์จะได้ยกให้ นั่นนะคือแนวทางที่ถูกต้องแต่ทำความดีแล้วก็ทำความชั่วแต่ไอโปรบปากันด้าของควา ม, วามดีอะนะเหมือนว่าให้คนได้เห็นใจว่าไอชั่วนี่นะมันไม่ชั่วเท่าไหร่นะบางเราเราผมละกันนะผมละกันสูบุรี ผมและกั้ไม่ใช่คนอื่นนะผมมาสูบบุหรี่อยากให้เรื่องสูบบุหรี่นี่มันมันดูไม่แย่คือถ้าเราไปร้านกาแฟแล้วก็ไปสูบบุหรี่แล้วก็ไปนั่งวงแล้วก็มีอย่างอื่นนะจะเล่นไพ่นี่มันองค์ประกอบทั้งหมดนี่มันดูมันดูชัดอะมันไม่ดีอะทั้งหมดนในชั้นอะแต่ถ้าเรามาละหมาดพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยพอออกทันทีเลยนะ คนบางทีก็ไม่กล้าจะว่าเราทําไมสูบุรีทาไมก็คุณผู้ละมาดเนี่ยก็คุณผู้ละหมาดก็คุณผู้ละมาดนี่อันนันต้องูคุณลม า, ละม า, ละมาจะได้ให้ให้การสูบุหรีเนี่ยมีความชอบล่ะอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะว่าความดีที่เรา ท, ทําถ้าว่ามีเจตนาแฝงเจตนาแฝง เพื่อประดับประดาความชั่วตัวอื่นนั่นน่ะให้มันดูดีหรือให้คนเนี่ยขเขาาก็มีเขาก็ามีความดีไ ง, ขงเขาก็มีเรื่องดีไงบางทีความดีเนี่ยมันก็เน่าอ่เน่าเฟะอม่ไม่ใช่ความดีเลยเรื่องสำอางมันไม่สามารถที่จะประดับประดา แลึกที่มันให้คนมองใบหน้าของเราเนี่ยว่ามันไม่สวยงามถึงเครื่องสำอางเนี่ยมันอาจจะปกปิดอะไรบางอย่างแต่นั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราไม่มีแผลว่าอินเตอร์ดูนาอดหากพวกเจ้ากลับเก้าดูกลับก็คือ กลับมาขอดุอาให้อ AH ัลลอฮ์เลยชี้ขาดอีกทีหนึ่งนะถ้ายังไม่เข็ดนะยังจะไม้เออัลลอฮ์ชี้ขาดว้วยเอาใครชนะนบีรหรือเราถ้ากลับม า, มาขอชี้ขาดอีกทีหนึ่งนะเราก็จะกลับก็คือกลับช่วยเหลือท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบางท่นนั้นที่บอกว่าว่าอินตะูดูถ้าว่าพวกเจ้ากลับมารุกรานมาและเมื่ท่านนบี มาทาสงครามกับท่านนบีสลต่าลัอแล้วอัลลอฮกจะช่วยหลือท่านนบีอนี้นีอไอนนี้อลมาได้นำมาเป็นหลักฐานในหลายหลักฐานว่าอัลลอฮสุบฮานะฮูมุตอาลช่วยเหลือคนที่ถูกกุรุกานเสมอ คนที่ถูกละเมิดเสมออิหม่ามอิบนุตัยมิยาได้บอกว่าวท่านนาบีสุลต่านละฮะเละยอัลสลามได้ทำตัวเป็นฝ่ายที่เลือกความสงบเสมออยู่ที่มักกะสิบสามปีดาวะโดยลิ้นไม่มีอาวุธไม่มีความรุนแรงทั้งสิิ์ ท่านถูกกรังแกซอฮาบะของท่านนี่ถูกกระังแกถูกขับไล่ท่านก็พยายามรักษาความสงบความสันติเสมอจนรู้สึกว่าไม่สามารถพูดความจริงเผยแพร่ความจริงได้จึงเลือกที่จะอพยพออกจากวังกาไปมาดีนะท่านเลือกพว ก, พวกท่านไม่ให้ฉันอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ไมทํางานที่นี่จะว่าฉนไปที่อ่นเอไปมาดินาะเนี่ย พวกกูร์เรชก็ไม่ปล่อยท่านนบีสุลต่านอัลลอฮ์ในุสลาห์ก็วางอุบายวางแผนที่จะรุกกรานท่านนบีสุลต่อัลลอฮ์ในุสลาห์เพราะฉะนั้นอิมามอิบนะไทมีย์ได้บอกว่าไม่อนุญาตนี่เป็นทัศนคของอิมามอิบนะไทมีย์และเป็นทัศนคของอุลเลาะส่วนมากไม่อนุญาตให้มุสลิม ทำสงครามกับคนอื่นในสภาพที่รุกรานไม่ได้สงครามคาว่าสงครามในอิสลามนะั่นคือปกป้องตัวเองโก้โหที่ท่านนาบีทาสงครามทั้งหมดนี่นะปกป้องตัวเองปกป้องแผ่นดินปกป้องสิทธิของตัวเองในการที่จะดาว่าในการที่จะเผยแพร่แต่การที่จะไปรุกรานคนอื่นเอาอาวุธเอาเอ า, เอ า, เอ า, เอา เอาเอากองทัพเนี่ยจะได้ไปรุกรานคนอื่นนะนะไปยึดทรัพยากรของเขาเนี่ยไม่อนุญาไม่ถือว่าเป็นเป็นเรื่องจีฮาด เ, เป็นเรื่องเป็นเรื่องสู้รบที่มีผ ล, ละบุอฉะนั้นเป็นที่เข้าใจว่าจีฮาดเนี่ยในอิสลามอ่ะนะก็คือการปกป้องมันจะมีความชอบธรรมมากกว่านี้อีกไหมที่ไม่อนุญาตให้มุสลิม ถืออาวุธเพื่อรุกรานคนอื่นไม่มีนะไม่มีนะคำสั่งสอนในโลกใบเนี่ยที่สั่งสอนให้มุสลิมเนี่ยเชื่อว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ที่จะรุกรานคนอื่นเพราะฉะนั้นสงครามโคเศตใครทำสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใครทำที่สองใครทำและเหตุผลของสงครามเหล่านี้ทั้ะคืออะไร วัดหดลนะและจะไม่ได้รับคว ش มช่วย و หลือจากพระเ ر าอีกแล้วทานบอกว่าขอความช่วยเหลือให้อัลลอฮฺชี้ขาดเนี่ยพวกผูกคองเจ้านั้นไม่สามารถที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลยที่เอตุคหมาถึงพวกเจ้า กาออกมาาอบูจานบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ออกมาปกป้องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของเผาโคเรชเพราะท่านนาบีสร้างความแตกแยกในหมูคนะ่คณะนบีสร้างความแตกแยก ในในกุริชทำให้พ่อบูชาจเจวิลูกไม่เอาด้วยโหดิแตกแยก่และนี่คือเหตุผลที่บัดซบจริงๆของทุกคนที่ต้องการปกป้องความผิดความชั่วโดยอ้างเอกภาพให้สร้างความแตกแยกคือ ถ้าหากว่าแยกเพราะความผิดความถูกนะมั น, นไม่ใช่แต่แย่มันมันไม่ใช่ความแต่แยกในรูปแบบใดก็ตามถ้าหากว่าแยกเพราะความถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องความแต่แยกและเอกภาพมันไม่ใช่ว่าดีเสมอเอกภาพมันมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ดีเสมอ เอกภาพที่อัลลอฮฺสุภาหนวตาจะมาเนี่ยเอกภาพนี่มันต้องมีความถูกต้องแต่ถ้าเอกภาพบนพื้นฐานที่มีความผิดมีการละเมิดอีกการปกปิดความชั่วอันนี้เป็นเอกภาพที่ไม่มีความชอบอัลลอฮฺสุภาหนวตาและไม่ส่งเสริมพักพวกของเจ้านั้นไม่สามารถ ที่จะอำนวยประโยชน์อย่างใดให้แก่พวกเจ้าได้เลยและแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็คือพักพวกของพวกเจ้าเขาตรงนี้เนี่ยก็คือพักพวกกันแม้ว่าพวกเขาจะมากมายก็าตามและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาทั้งหลาย ว่าอ وأن الله مع المؤمن الله يورم كبوس التهدن لا คุยกันกับอี่น้องว่าเราอย่าบังอาจทําตัวเหมือนนบีแล้วก็ใช้คําพูดเหมือนนบีและพูดด้วยความมั่นใจว่าอันนั้นอยู่กับเรา ทั้งทั้งที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบตัวเองว่าและตัวกรงเราเป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺจะสนับสนุนไหมเพียงเอาคําเพื่อมาหลอกตัวเองและจะหลอกคอ<ม>ัลลอฮฺอยู่กับเราอันตรายมากแต่สิ่งที่มันจะทําให้เราได้มีความมั่นใจว่าอัลลอฮฺอยู่กับเราหรือไม่ก็มาตรวจสอบว่าเราเนี่ยมุกมินีนไหม คุณสมบัติของมุมินีหนึ่งสองสามนี่มาตรวจสอบเราทำหนึ่งสองสามทําให้หมดหมดไหมทําจบยังทําจบแล้วนี่นะไม่ต้องประกาศไม่ต้องโฆษณาว่าอัลลอฮ์อยู่กับเราคือโดยปริยายทําไมอะ่ะเพราะมันเป็นคําสัญญาของอัลลอฮ์อยู่กับผู้ศรัทธาถ้าเราเป็นมุมินีนะถ้าเราทําหน้าที่ถ้าเรารวบรวมคุณสมบัติของมุมินีนะให้มันครบถ้วนนะนะ แอนนอลอมายาห่การที่อัลลอฮ์อยู่ร่วมกับเรานี่นะมันก็จะเกิดขึ้นโดยปริยายที่บอกกับพี่น้องว่าข้อแตกต่างระหว่างชาวุเรชมกาับท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมแมเราไม่มีโอกาสที่ไปดูสภาพของอบู ก็แต่งตัวยังไงนะอบูญ่าเนี่ก็ไว้คราวเหมือนเราดิเลยผูกซาลาบาเหมือนเราดิถ้าอบูย่ามาเดินแบบนี้เนี่ยเนี่ยนว่เป็นเป็นอลิมก็ อ, อลิมถูกต้องไหมคนนี้คือคนี่คือชุดของอาเนี่ยชุดของอา랍ดั้งเดิมนบีก็แต่งตัวแบบนี้ซาฮาบาก็แต่งตัวแบบนี้ อาลามนี่พวกสรารบัญกันทั้งนั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นคนที่พวกสรารบัญและ บ, บูชาเจวิตไงแต่ชาวกูริชเนี่ยทางนั้นสารบัญกราบไหว้เจวิตทั้งนั้นและทั้งบางเลยอะเด็งตัวก็เหมือนกันกินก็เหมือนกันหน้าตาก็เหมือนกันไว้คร้าวเหมือนกันนะ่ะ เขายาเีเหมือนกันนะแต่ก่อนนู้มนมีใครุกคนเขากันหรอกเหมือนกันขอแตกต่างคืออะไร ช, ช่วงแรกที่ท่านนาบีสุลต่านอยู่ที่มักกาเนี่ยข้อแตกต่างก็มีอุรรานลงมาและนบีประกาศว่าตัวเองเป็นรสูลที่มาจากอัลลอฮ์ใครจะเลือกเชื่อ ฟังอัลลอฮ์คำจั่งสอนของอัลลอฮ์แต่กูอ่านนี้สังคมก็เลยแบ่งกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มนึงที่เลือกท่านนาบีสุลตัลละหัวเลี้ยวสลักว่าเป็นศาสนาทุนจริงที่มาจากอัลลอฮ์แล้วก็เลือกเชื่อฟังบุรอัลหมาส่วนมากจึงบอกว่าอายานี้เนี่ยในสงครมบัดเนี่ยมันถูกประทานลงมาในการ ในสถานการณ์ที่มีการปะทะระหว่างุฟอร์มอุปติสสตหาของมักกะแล้วก็ท่านนบีสุลต์รอฮฺอะลัยยุสเลลมซึ่งข้อแตกต่างนี้ก็คือต่างฝ่ายเนี่ยก็ก็ฝักใฝ่แล้วอะนบีเนี่ยก็ฝ่ายกุรอานมักกะเนี่ก็ฝ่ายที่ไม่เอากุรอานชัด แต่พอท่านนบีอยู่ที่มาดีนะมันมีฝ่ายที่เขาเลือกกุษานเลือกอยู่กับนบีเข้าละมาี่ว่าสิรกับนบีแต่ไม่เชื่อฟังนบีก็คือพวกมุนาฟิกีแต่เอาเขาจริงแล้วนะสภาพของพวกมุนาฟิกีที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ ไม่เชื่อฟังกุตอานไม่เชื่อฟังนบีคําสั่งของนบีเนี่ยสภาพของเขานี่ก็ไม่ต่างอะไรกับสภาพของอุฟารมักกะที่เขาไม่เอากุตอานแล้วก็ไม่เอานบีเพียงว่ามุนาฟิกีเนี่ยเขาประดับบรดาสภาพของตัวเองให้ถูกมองว่าเป็นมุสลิมว่าเป็นผู้ศรัทธาแล้วจึงบอกว่าอิตะคารู إيمان เขาลุกเรมุมนับถูออิตแท خذإيمان ของมันจุดนึน่งเขาได้เอาเอา إيمان แอบอ้างอีมานเป็นกรอบเป็นเสือกรอบป้องกันตัวเองจะได้ไม่โดนข้อกล่าวหาว่าเป็นกาเฟ่ถ้าเป็นมุสลิมแต่พออัลลอฮ์สั่งอะไรก็ไม่ทำคนไอวีสั่งอะไรก็ไม่เอา และกาลึกๆในหัวใจของเขาเนี่ยก็ไม่อย่างคือไม่ค่อยเอาด้วยกับเรื่องศาสนากับเรื่องกับเรื่องคุณงามความดีของศาสนาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องอันตรายอันตรายของมูนาฟิกเนี่ยก็คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อฟังไม่คือเขาเขาไม่ชอบอะความดีของศาสนานี่ไม่ชอบ ไม่ใช่ไม่อยากทำแล้าคนที่อยากทำแต่อ่อนแอแล้วก็รู้สึกมันยากที่จะทำก็อีกประเภทหนึ่งท่านนาบีบอกว่ามันเป็นคุณมันเป็นคุณสมบัติของมุนาฟิกเนี่ยอิเาฮัดเดาะสกะลับพูดแล้วโกหกก็คือพูดความจริงไม่เป็น ไว่าคือเขาไม่ชอบพูดความจริงอ่ะไม่ชอบถูกเรียกว่ามีความสัจจะไม่ชอบคุณธรรมะตัวเองคุณธรรมเนี่ยไม่ชอบนี่คือข้อแตกต่างแต่มันเริ่มต้นอยู่อยู่ที่ว่าและการศาสนาองม์ประทานลงมา ไม่ได้ไมด่ทดสอบเรื่องจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างเดียวนะทดสอบว่าเราเนี่ยฝักไฟหลักการหรือเปล่าชอบหรือเปล่าเราอยู่เราอยากอยู่กับหลักการหรือเปล่าสําคัญและอันนี้เนี่ยคือจุดจําแนกระหว่างผู้ศรัทธาแล้วก็พวกบิดพลิ้วพวกมุนาภิกิุใจเข้าลึกๆนี่นะความดีเนี่ยไม่ชอบ ฉะนั้นระหว่างคนที่ชอบละหมาดอยากละหมาดแต่เขารู้สึกอ่อนแอรู้สึกบกพรองก็มีคนยังไงล่ะไม่ชอบละหมาดคนนี้ไม่ชอบละหมานดมมานั้นนะ่ะมีลักษณะของความเป็นมนาภิกรนตรายความชั่วก็เหมือนกันระหว่างคนที่ไม่ชอบความชั่วรู้ว่าเป็นความชั่วรู้ว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาห้าม แตรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเลิกไม่ได้เลิกยากกับคนที่ชอบความชั่วศา ส, สนาไม่น่าจะห้ามเลยมันเรื่องดีๆทั้งนั้นน่ะโอ้ยมีลอตเตอรี่ทุกเดือนน่ะมันจะมันจะเลวตรงไหนอ่ะคนจะได้ร่ำรวยมีมีมรายได้ดีคนจะได้ฐานะเขาดีขึ้นรัฐบาลก็จะได้มีรายศาสนาไม่น่าจะห้ามเลย อะไรที่ศาสนาห้ามแล้วมงางกันกงั้นอย่างั้นนะคนกินเหล้าเนี้ยอดูอะไรกันยังดีกว่า ่างกันแม่ทางกันว่ากันดีเลยมูฮัมหมัดนี่คิดยังไงที่จะห้ามเรา อันแรกเลยอันแรกเลยนะเผื่อไว้หน่อยนะกาลิมองก่อนเาบอกในคุตตานี่สุระหลวสิ่งที่จำแนกระหว่างคนที่ปฏิเสธเขาจะเผยหรือไม่เผยนะหัวใจอเขาเนี่ยาลิกบิอันนุมรูมาอันซลมบเา Allaham เร่างพวกเรามากิตเนี่มุสลิมบางคนเน่ยน ะ, ะที่เขาบอกว่า เ, เรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องออกไม่ต้องออกตัวไม่ต้องออกความเห็นอทุกเรื่องอ่ะน ะ, ะเราอาศัยอยู่แผ่นดินเขาเราอยู่พูดเหมือนกับเป็นคนต่างด้าวเลยนะเหมือนที่เขาบอกว่า มุสลิมมุสลิมเขาจะยึดแผ่นดินไทยคือต้องถามก่อนมุสลิมเป็นคนไทยไหมถ้าเป็นคนไทยยึดได้ทำไมอ่ะก็เป็นคนไทยไงยึดที่ของประเทศไทยมุสลิมไทยกับพุทธไทยนะก็เป็นคนไทยทั้งนั้นอ่ะแต่รู้ว่าพุทธจะยึดแผ่นนี่มันไม่แปลกใช่ไหมเมือนหรมุสลิมยึดประเทศไทยก็เป็นประเทศของเขาไงเป็นคนไทยไหมล่ะ คริสยืดเป็นนีนะีก็ถามก่อนคริสเนี่ยเป็นเป็นคนไทยไหมเป็นคนไดยอ่ะมีสิทธิ์ยืด ก, ก็เป็นคนเขาอ่ะ้าเป็นคนไทยอ่ะเหมือนกันหมดเลยรัฐธรรมนูญพูดแบบนี้หมดเลยประวัติศาสตร์พูดแบบนี้เลยคนที่กู้แผ่นดินเนี่ยมีทั้งพุทธมีทั้งอิสลามมีทั้งจีนหมดเลยช่วยกันกู้แผ่นดินทั้งนั้นนะ่ะ เฮ้ยโก็ออมุสลิมอิสลามมายึดตั้ก็อิสลามคูบันดินด้วยกันแต่เดี๋ยว่ว่าอันนี้ที่เขาไมกล้าพูดนะฝรั่งมายึดประททศไทยทั้งนั้นมันเป็นขอ้อเท็จจริงนะแต่เขาไม่พูดอนะ่ะฝรั่งมันจะมายึดแผ่นดินมันจริงบ้านนะมันจริงนะแต่ไม่ไม่ไม่ทำนี่ ฝรั่งมาซื้อมาซื้อที่ฝรั่งมาซื้อหุ้นฝรั่งมากวาดนูน่น เ, เ, เอาุนป่นเอานี่หมดเนี่ยมันจริงไหมล่ะจริงมันจะซื้อประเทศอ่ะแล้วที่เขาบอกว่านี่ยนะขายประเทศเน่ยขายประเทศให้ฝรั่งคงข้าเนี่ยก็คืคอก็คือ น, นี่แต่พูดไหมล่ะเป็นการให้ยอมรับสถาบันครอบครัวในรูปแบบใหม่ที่ไม่มีพ่อแม่แล้วนะ อมีพ่อกับพ่อมีแม่กับแม่จะได้การอะไรก็แต่มันก็เด็กมันก็เป็นสภาพครอบครัวใหม่ๆที่ที่มนุษย์เนี่ยไม่เคยเจอเนี่ยไม่เคยมีไงสมมุติสมส ม, ส ม, มุติมาศิษฐ์เขามีพื้นที่ สร้างอาคารอเนกประสงค์จัดเป็นห้องห้องจัดงานงานนิกางานอะไรแล้วก็มีคนมาขอจัดงานนิกาถูกต้องตามกฎหมายระหว่างชายกับชายกรรมการมัสยิดดันห้ามบอกคนไม่ได้ทำไม่ได้ เพราะมันผิดหลักการศาสนาคือผิดหลักการศาสนานี่ก็ผิดหลักการศาสนาไปแต่นี้มันถูกต้องตามกฎหมายและเข้าไปร้องเรียนว่าคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการมัสยิดเนี่ยไม่ยอมให้ใช้อาคารอนเนกประสงค์ซึ่งมันไม่ใช่ศาสนาสถานอนเนกประสงค์อ่ะมันเป็นเอออย่าง ตึกเฉลิมพระเกียรติที่อยู่หน้ามัสยิดสำนักตุลาราชมูลนันั่นนะ่ะของกรงการปกครองนะทางนั้นที่อยู่หน้ามัสยิดนะอ่านั่นนะ่ะถ้าหากว่าไปจัดนิกายตรงนั้นนะ่ะของเก้านั่นนะ่ะอออันน่ะไอเห็นน่ะไอเห็นภาพอ่ะนั่นนะ่ะนิกายระหว่างนายอิบรอฮีมกับนายซาม่าอะไรเงี้ยเนี่ย ห้ามไม่ได้บังเอิญไหนเป็นิมานะมาเสะนาตัวในการเลือกตั้งเป็นอิมามเป็นข้อเทห็ห้ามห้ามไม่ได้เขาไม่ทําทำอะไรผิดกฎหมายเพราะในระเบียบของเอ่อว่าไปเรื่องคุณสมบัติจะต้องไม่ ไม่ไม่มีอะไรที่ว่าไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรที่มันผิดกฎหมายเรื่องผิดอะไรศีลธรรมนี่นะมันก็มันก็มองกันด่างต่างมุมมาละต่างมุมก็มองกันได้โครงสร้างของสังคมนี่มันจะเละตุงเบ็ดสืบเนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี้นะ่ะ มันจะต้องไปปรับเพราะในในร่างกฎหมาิเนี้ยมันพูดถึงเรื่องปัญหาอื่นๆที่มันจะเกี่ยวกับสภาพเนี้ยที่จะต้องไปปรับในในพรบ อ, รอื่นๆระเบียบอื่นๆกฎกระทรวงอื่นๆถ้าในทะเบียนสมรสมันจะมีนายกับนายมีนางกับนางอย่างเงี้ยมันไม่ได้ น, นั่นก็ต้องไปปรับไปปรับเปลี่ยนกฎกระทรวงนะในบัตรประชาชนก็จะไม่มีนายแล้วไ ม, ไม่มีนางสาวไม่มีนายแล้วไม่มีเพศก็ไม่มีแล้วเพศชายเพศหญิงอ่ะไม่มีแล้วแ อ, นนแอปไทยชนะนี่ไอไทยชนะเนี่ยแอปไทยชนะนก็ไม่มีแล้วไอที่ว่าใส่ต้องใส่เพศไม่มีแล้ว ไม่ต้องมีแล้วโครงสร้างของสังคมทั้งหมดมันจะเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไม่เท่าไหร่แต่โครงสร้างของสาสนาโครงสร้างของสาสนาประเทศที่ยอมรับกฎหมายแบบนี้เกิดขึ้นแล้วอ่นะและมีมุสลิมดำรงชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ ได้ช่วยโอกาสเรื่องนี้แล้วอ่ะนะเขาก่อตั้งมัสยิดของเขาแล้วที่ออสเตรเลียนี่มีมัสยิดเกอก็เหมือนว่าคนที่เข้ามัสยิดนี่ก็ต้องเป็นที่รู้กันนะว่าเป็นแบบไหนละแบบนี้เขาตามกูดอ่านไม่ได้นะ เพายัางไงก็ต้องอ่านสุรบที่ผ่านกุณมชณนนบีลูเดี่ยวเราแช่งจะแช่งตัวเอ ง, เองได้ไงเราต้องอ่านไปต่อมากระโดดกระโดดอะไรหลายอย่างที่มันจะเปลี่ยนโครงสร้างของศาสนาไปหมดเนี่ยอันนี้เนี่ยอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดถ้าหากว่าบ ร, บ, บ, บริบทของสังคมที่เรา ไม่พยายามที่จะต่อสู้เพื่อไม่ให้คุกคามศาสนาถ้าเราปล่อยปะละละเลยให้มันคุกคามศาสนาแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างของศาสนาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะถึงเวลาที่จะไม่มีศาสนาเราไม่มีโอกาสที่จะมาปกป้องศาสนาไม่ใช่ศาสนาอิสลามอย่างเดียวนะศา ส, สนาทุกศาสนา ถ้าปล่อยให้อารมณ์กิเลส ข, ของมนุษย์เนี่ยนึกชอบอะไรก็ร่างมันญยัดไปเลยศา ส, สนาไม่เหลือเลยจะไม่เหลือไม่ใช่ศาสนาอิสลามนะเอทุกศาสนาพุทธศาสนาคริสติก็จะไม่เหลือเลยทําไมอะ่ะเพราะกิเลส ข, ของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีขอบเขตไม่มีขอบเขตเล่านนี้มันบาปไหมบาปทุกศาสนาไหมทุกศาสนา พออยากได้ภาษีพออยากได้กินกันนะ่ะก็เลยออกกฎหมายรองรับสิ่งที่มันบาปปลูกฝังไ ว, ว้ว่ากัญชากระท่อมอะไรตัวนี้อะไ ร, ะไรนี่มันเป็นสิ่งเสพติดอะ ม, มีงานวิจัยมาเรื่อย <c oughs> มันออกมาเรื่อยว่าเดี๋ยวอันนี้มันก็จะมีประโยชน์อออกกฎหมายเลยกัญชามันไม่ใช่เดี๋ยวออกฎกระท่อมนี่มันรักษาบาหวานอ ฮะแล้วก็สุดท้ายนี่มันไม่เหลือไงอประเทศฮลแลนด์ร้านสะดวกซื้อเฮโรอีนเซรียาเสพนีดเซรีรัฐบาลประกาศว่าจะเคอร์ฟิวโควิดอาทิตย์หน้าอ๋อลลหัวซุ per ปปมาร์เก็ตนี่นะไม่มีคนยืนแถวซื้อของกินแต่ยืนแถวซื้อ ซื้อสิ่งเสพติดอะขอดูโคฟิลแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรจะเสพก็ไปเก็บไว้เก็บไว้ลยถ้าสังคมต้จะเป็นแบบนี้ด้วยการเปิดให้กิเลสให้กิเลสมาปรับโครงสร้างอะนะมันก็ไม่เหลือไงและนนะ้ความเชื่อความศรัทธาของของผู้ศรัทธาในศาสนาของตัวเองมันก็จะไม่เหลือไง พุทธเชื่อในศาสนาของพุทธเนี่ยมีโครงสร้างของความเชื่อแบบนี้แต่กิเลศบอกว่าโอ้ยอันนี้ที่ที่ที่พุทธบอกว่าผิดศีลมันไม่ผิดอันนี้ไม่ควรไฮ้มันทําได้ควรทําได้มันไม่เหลือมันไม่เลยศาสนามันไม่ใช่เรื่องศาสนาอิสลามอย่างเดียวนะทุกศาสนาถ้าจะปล่อยให้กิเลสของมนุษย์เนี่ยเข้ามาปรับโครงสร้างของแต่ละศาสนานี่นะศา ส, สนาก็จะไม่เหลือ ก็แตกต่างในการที่จะให้จำแนกระหว่างศรัทธาชนกับคนที่ไม่เอาความศรัทธาเนี่ยก็คือเรื่องเชื่อฟังเชื่อฟังาคาว่าบริบทของคาว่าเชื่อฟังนี่ก็หมายถึงว่าน้อมรับคาสั่งของพระเจ้าแล้วก็เอามาปฏิบัติในวิถีชีวิตให้จำแนกให้เห็นว่าวิถีนี้ มันไม่เหมือนวิธีนี้วิธีของคนที่เชื่อฟังและปฏิบัติไม่เหมือนวิธีนี้มันให้เห็นว่าคนที่ยึดมั่นในหลักการศาสนาว่าโดยเรื่องการห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่ห้ามทาสิ่งห้ามเสพสิ่งเสพติดห้ามเล่นการพานันห้ามขโมยห้ามโกหกห้ามทำอะไรที่มันเป็นอบายมุกทั้งหลายเนี่ยกับคนที่ไม่มีขอบเขตเรื่องนี้พอไปดูแล้ววะนะ วิถีชีวิตมันฟ้องฟ้องถึงอะไรอะฟ้องถึงเรื่องการเชื่อฟังคนนี้เชื่อฟังคนนี้ไม่เชื่อฟังอบูจานถ้าใครเห็นอับูจานตอนไปอบูจานผู้นาของพวกมักกะนะตอนไปยืนหน้ากาบะแล้วก็ขอดูอา่าอาจจะเข้าใจว่ า, ถ, าถ้าเราเห็นนอะอาจจะเข้าใจว่าเป็นมุสลิมก็แต่งตัวเหมือนใช่ไหมแต่งตัวผูวกซาลาบันใส่ต๊ะมเหมือนมุสลิมอะไร แต่ข้อแตกต่างระหว่างอบูยลตอนที่ขอดุทิและท่านนบีอฮมมัส์สลฮซลมและสหายที่ขออุทิศก็คือเรื่องเดียวและุ่มนี้เนี่ยเขามีคาสั่งสอนที่เขาเชื่อฟังบทนี้ไม่มีอัลลอฮ์จึงย้ากับผู้ศรัทธาในเรื่องนี้ว่าไอ้อเยี่ยห์เหล่านันอับดุุลลอฮ์และ رسول เขวละทวหลัว عنه و أ ن ت บรราผู้ศัธาทั้งหลาย จงเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอูลของพระองค์เถิดและจงอย่าได้ผินหลังให้แก่เขาให้แกท่านให้แก่ท่านอะลักัหรืออุลเลาะห์บางท่านบอกว่าอย่าผินหลังให้อัลอบางอเลาะห์บาท่านบอกว่าอย่าผินหลังให้คําสั่งสอนของอัลลอฮ์และอะลก็คือคุณอัตอย่าผินหลังให้แก่เขาให้แกท่านนี่นะขณะที่พวกเจ้าฟังกันอยู่ คือเรื่องคุณอ่านนี่ท่านนาบีอา่านที่พวกพระองค์ว่แล้วแต่ละวันวันทุนทศมอาอย่าผินหลังขณะที่พวกเจ้าฟังกันอยู่ฟังอะไรกุรณอ่านเอาเอาใหม่มุสลิมฟังกุรานกาเฟร์ฟังกุรานเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็านาบีอา่านกุราในให้กาเฟร์ฟังที่มาเกสิบสามปีเขาก็าฟังกุราน มุสลิมฟังคุารานกาเฟรฟังคุารานขอ้อแตกต่างคืออะไรมุสลิมตอบรับคุารานกาเฟรไม่ตอบรับคุรานครับ เ, เอาใหม่มุสลิมฟังคุารานแต่ไม่ตอบรับคุรานกาเฟรฟังคุรานไม่ตอบรับคุารานขอ้อแตกต่างระหว่างสองประโยคนี้คืออะไร เอาอะมาเล่ น, เ, ลนเอามหม่มุสลิมฟังกุรานแต่ไม่เชื่อฟังคุรานมีไอมกาเฟ่ฟังคุรานแต่ไม่เชื่อฟังกุรานมีแน่นอนมีแ น, น, น่ข้อแตกต่างคืออะไรชื่อคนนี้เป็นมุสลิมคนนี้เป็นกาเฟ่แต่การกระทำเหมือนกัน แสดงว่าการที่ฟังคุรานอย่างเดียวฟังคุรานนะนะโอคนนี้ฟังกุรานทั้งวันแล้วบางทีก็พูดนะเขาคนนี้เปิดกุรานฟังกุรานทั้งวันเราพูดแม้ใช้่ไหมคำนี้ใช้ไ่ไอมแต่มันการันตีความเป็นมุสลิมไหมไม่สมัยนบีอยู่ที่มักกันะ่ะ กูฟากาเวตในที่บททีสีสถานนื่องจะว่ากูตอ่านเนี่ยเป็นภาษาที่ไพรร็อกเนี่ยเขาจะแอบมาฟังกูตอ่านกันน่ะแอบนบีฟังนบีอ่านกุตอ่านแอบฟังอบูบัครอ่านกูตอ่านฟังอบูบัคระอ่านแล้วก็มีเสียงไพรร็อกมีเสียงสะอื้นเสียงร้องไห้เขาก็จะชอบฟังก็เหมือนเราอ่ะฟังกูต์อ่าก็ฟังทั้งวันทั้งคืนแต่ขอให ก็รีเสียงไม่ชรีไม่ช่รีม่ชรีฟังฟังได้ทั้งวันทบทวนไหมไอที่ฟังเนี่ยปฏิบัติกี่เปอร์เซ็นทบทวนมฟังฉันชอบฟังคกุรอานว่ามีบางอยา่างมีบางเรื่องบางอย่างเราหลงหลงประเด็นของคุณสมบัติของมุสลิม มาจากมัจากคุรานนี่แหละที่จำแนกเนี่ยว่ลาทวหละวะนั้นว่าท่านทุกทนตด้ยินไมารับอย่าพินหลังให้เขาเขานี่สะพนานเอาแต่หมายถึงว่าพินหลังให้นบีตอนนี้อ่านคุรานก็หมายถึงว่าผินหลังให้คุรานพินหลังให้คุรานหรือคนที่อ่านคุรานเนี่ยขนาที่พวกเจ้าฟังกันอยู่ อ๋ออนีญยพี่น้องมาร่ว ง, งานทั้งหลายเชิญสดับอันนี้ไม่มีคนเล่านะนี่แกเห็นกับตัวเองแล้วก็ไปพูดแต่ละงานนี่นะก็ก็มีแต่คนเกียดหน้าล่ะพี่น้องบรรยายนี่หรือเปิดกุฎอ่านเอากุฎอ่านมาเปิดงานน่ะเปิดงานในบราริกะใช่ปะคือได้หัวเปิดกุฎอ่านในไม่มีใครฟังแต่พอนักการเมืองที่เป็นมุสลิมนี่มาหาเสียงแล้วก็เฮ้ย ฟ, ฟ, ฟ, ฟังฟังท่านกำลังจริงมะะั้ยล่ะอเขาอ่านกุรอ่านหักินหลังลูกชิ้นเท่าไหร่ไหมเท่าไหร่ฮะเขาบรรยายู่เขากำลังพูดเรื่องคุณธรรมอิสลามอยู่เท่าไหร่เขาบอกจานเท่าไหร่ครับ พอพอท่านท่านโน้นท่านนี้มาเปิดงานมาอะไรอมาแลวมาแล้มา๋วไปฟังหน่อยไปฟังหนอว mm hmm. ันที่มันก็ฟ้องคุณค่าของกุานในหัวใจของเราเนี่ยมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่อืออ mm ัล hmm. ลอฮฺมาฟินะ ฟังกุรานคําว่าฟังกุรานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะตั้งสมมติฐานว่าอาจจะมีในสังคมมุสลิมที่ไม่ใช่นักฟังกุรานไม่ใช่นักอ่านคุรานอ่านคุรานก็ไม่เยอะฟังคุรานก็ไม่เยอะ แต่เคร่งครัดที่จะให้วิถีชีวิตของเขาเนี่ยสอดคล้องกับกุรานคนคนนี้เนี่ยฟังกุรานเก่งกว่าคนอื่นขอให้พวกเราเนี่ยได้ยึดวิถีชีวิตของซาฮาบะคนที่หาวิทย์กุรานสมัยท่านนบีนี่มีสี่คนแล้วก็อ่านกุรานนี่ก็ไม่ได้อ่านกุรานเยอะ แต่อ่านกูดอ่านแล้วก็จริงใจกับเนื้อหาทุกเนื้อหาที่อ่านอ่านน้อยก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ทําตามที่ตัวเองอ่านปฏิบัติตามที่ตัวเองได้เรียนผมก็ไหนแต่ไหนนี่ก็ผมเลือกไงว่าเราไม่จําเป็นต้องโอ้ยตับซีร์นี่ก็ต้องครั้งละหนึ่งหน้าสองหน้าอย่างเงี้ย <c oughs> ทําได้นะ ผมสอนประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง น, น, นะทำได้นะแต่เซียนนี่หน้าสองหน้านี่แทนนั้นสามปีนี่ก็น่าจะจบจบแแต่บางทีก็รู้สึกละอายละอายตัวว่บะบาการ่าเนี่ยเราใช้เวลาประมาณสามปีแต่ถ้ า, าน้องวัตถุน์เาต้องใช้แปดปีบางรายงานบอกว่าสิบสองปี ในการเรียนรู้มันจะได้เห็นว่านี่ขนาดเป็นอันดับแท้ๆนะเรายังยังยังตะกุดตะทันยังไม่ค่อยลึกซึ้งเหมือนอันดับมันแต่นโมรีมข้ อ, ขอต้อเนี่ศึกษาแบบไหนอะถ้าละเอียดจะลึกซึ้งกับกุตัานขนาดไหนอะและนั่นหมายนัานหมายว่ากุตัานก็มีมากกว่าบกหะแต่ท่านโมรีมข้อต้อไม่รีบเนะี่ย แล้วซอฮามะกับแทวีอีนรีรายงานการกระทําของอัมาดุลขะตอบเนี่ยด้วยความภูมิใจแสดงว่าคขาไม่ได้ทำหนี้อัลมาดุลขะต้อบว่าท่านไม่ได้ศึกษาส่วนอื่นของกุตัานเพราะไม่ทันแต่ส่วนที่ท่านศึกษาไว้แล้วเนี่ยท่านมีความตั้งใจที่ศึกษาตามสูตรของท่านนาบีซอ ล, ลลอฮฺสละลัมคือศึกษาและปฏิบัติให้วิถีชีวิตเนี่ยมันสอดคล้องกับกุตัาน จริงๆนะเขาถือว่าอันนี้สําคัญกว่าไม่ใช่ว่าต้องหาฟิดกรูรอ่านทั้งเล่มต้องอ่านทั้งเล่มต้องฟังทั้งเล่มต้องฟังกรูรอ่านต้องฟังบ่อยฟังทั้งวันทั้งคืนอันนี้อันนี้ประเด็นลูางอัลลอฮฺจึงบอกว่าสภาพของคนที่ฟังกูรอ่านแต่ที่จริงเนี่ย ฟังกุรานี่มันก็มีในย้อพวกเจ้าจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอ้างว่าพวกเราได้ยินแล้วได้ฟังแล้วได้ยินแล้วในขณะที่ในขณะเดียวกับพวกเขาหาได้ยินไม่ตีแล้วกาได้ยินไมเอาอย่างไรอะโอ้ม่า ก็หลุดเสียม่เอานะหัวคุมะลยเราได้ยินแล้วแต่จริงๆเขาไม่ได้ยินแสดงว่าในยะของคำว่าได้ยินในยะของคําว่าฟังแล้วมันลึกหรือมันรอบคอบกว่าเสียงเข้าหูเ อ, อเสียงเข้าหูนี่ก็ได้ยินแหละไม่ใช่เพราะเสียงนี่มันมีเนื้อหา และเนื้อหาเนี่ยหูเนี่ยมันเป็นช่องทางที่จะต้องเข้าสู่หัวใจหากเป็นเสียงที่เข้าหูแต่ไม่มีความหมายก็เหมือนคนได้ยินเสียงควายเสียงเสียงวัวเสียงเสียงสุนัขอย่างเนี้ยแล้วเขาไม่เข้าใจหัวใจสมองนี่จะพยายามพิจารณาไหมเฮ้ ห, ห้หมานี่มันว่าอะไรนะ หมายนี่มันเห่ามันว่าอะไรนะหมายถึงอะไรแนละ่ะสนใจหรอกเพราะมันก็เป็นเสียงเข้าหูอย่างเดียวเราจะให้คุณอ่านมีค่าเหมือนเสียงที่ไร้ความหมายขนาดหรือเสียงคุณอ่านเข้าเข้าหูแต่เราไม่สนใจที่จะเอาเอาเนื้อหาของคุณอ่านซึ่งมีเนื้อหาแน่นอนนะเอามาบำรุงหัวใจ และวินิวิจารณาว่าไอเนื้อหานี่มันสอดคล้องกับชีวิตของเราหรือเปล่าแสดง ว, ว่าคุณค่าของเสียงกุานที่เราฟังอยู่จะเป็นเสียงมือชรีหรือเสียงไคก็ตามันนะมันก็จะไม่ต่างอะไรกันเสียงแต่ <laughs> บิดแต่ <laughs> ก็ถึงขรนาดที่อั ح ح ววลลอฮฺซุบฮฺฮะรรัมวะตะได้ให้เราใน ได้เห็นว่าคนที่ฟังกุรอ่านได้ยินกุรอ่านแต่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ในหัวใจในชีวิตใ น, ในวิถีชีวิตของเขาอะนะก็ไม่ต่างอะไรกันเดชาฮอินชรรรดวาบินัลลอฮิซุมุลบุกมุลลีน่าล่ายกิลุนแท้จริงสัตว์ที่ชั่วร้ายยิ่งนับอัลลอฮ์นั้น คือที่หูหนวกที่เป็นใบ้ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ใช้ปัญญาอุลมาก็หมายรวมหมดลองเปิดกุรอ่านให้สัตว์ฟังดูดิสัตว์เขาอาจจะสนองความไพเราะของกุรอ่านเหมือนมนุษย์นีแหละ กระสับไม่สามารถที่จะไถ่ลองใข้ควรเนื้อหาของคุอ่านว่ากำลังชี้นำอะไรในชีวิตกำลังปรับปรุงอะไรในสมองกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรในหัวใจของของเขานี่คงไม่และถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยได้ประโยชน์จากเสียงคุต่านเหมือนเดรัชานเนี่ยจะมีข้อแตกต่างอะไรระหว่างมนุษย์กับเดรัฉานหรา ในสายตาของอัลลอฮฺ سبحانه และมิตร่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์เรามีสมองมีหัวใจวรอลลิม ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أ س م ع ล م لتوالوا ุ م عرضون หากอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าในตัวพวกเขานั้นมีความดีแน่นอนก็จะทรงให้พวกเขาได้ยินและหากพระองค์ทรงให้พวกเขาได้ยินแล้ว แน่นอนพวกเขาก็ผินหลังให้โดยที่พวกเขานั้นเป็นผู้ผินหลังให้อยู่แล้วคือถ้าอัลลอฮ์อันนี้อญญายะนี้มีหลายหลายนัยยะถ้าอัลลอฮ์ทรงรู้ว่าในตัวพวกเขาอัสมาหุมสับนามเนี่ยหมายถึงอันนี้เขาใช้คาว่าเขานี่ก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นมนุษย์แต่บาง อธิบายนี่ก็หมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์รั้วเดราัฉานเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จากการได้ยินนะ่ะนะก็จะมันก็จะให้มันเข้าใจแล้วอลัลลอฮ์อูดะฮ์หากว่าอัลลอฮ์ทรงรู้วในตัวพวกมันนี่คือเดรัชานนั้นนะ่ะมีความดีคือจะเอาคําสั่งสอนเอาคุรานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของมันน่ะนะแน่นอนก็จะทรงให้พวกเขาได้ยินก็หมายถึงว่าเข้าใจ แต่เดรัชานนี่มันจะเข้าใจไหมก็ไม่เข้าใจอลัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เดรัชานเข้าใจถึงแม้ว่าเดรัชามันก็ได้ยินเสียงกุานกันนะตอนเราไม่ให้มันเข้าใจอีกในยะหนึ่งคนที่ตั้งใจมนุษย์ไม่ใช่เดรัชานแล้วนะมนุษย์แต่ตั้งใจที่จะตัดความดีหรือประโยชน์ที่สามารถ ได้จากกุรุอ่านนั้นตั้งแต่ต้นก็คือตั้งค่าเขาจะตั้งค่าไหมในโทรศัพท์นี่มีตั้งค่าก็มันอยู่ที่ตั้งค่าอยากใช้อะไรอยากทําอะไรก็อยู่ที่ตั้งค่าตั้งค่าตั้งค่าว่าจะได้ประโยชน์จากคุรอ่านหรือไม่ได้ประโยชน์จากกุรอ่านตั้งค่าอย่างนี้คือตั้งค่าแล้วอ่ะนะว่าฟังกุรุอ่าน ใครอไม่เชื oh. ่อรื่องหุ <crystal> ่ส <prat> ร <iquer> ีนี oh. ่ใครนะใครนะคือ <sample> ต <ître> ั้งค่าไว้แค่นี้ตั้งค่าได้แค่นี้โอ้โหแล้วโอเนี่ยนี่มากอมาเลยนะฮาวันหรือสวบาเนี่ยโอ้โหก็ตั้งค่าไว้แค่นี้อะไรนะที่เอามาพูดถึงเราเอมาพูดถึงเฮ้ยเรื่องเราบันเนี่ยแค่เราเป็นคนตั้งค่า ตั้งค่าว่าเราอยากได้ประโยชน์อะไรจากกุานเรียนเรียนรู้แล้วอยากได้อะไรอ่ะอาชีพของเราความสัมพันธ์ของเราครอบครัวของเรางานทุกอย่างเลยอะ่ะพอฟังกุศลอันนี้เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวปะเฮ้อันนี้เกี่ยวกับอาชีพหรืป่าเฮ้อนันนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ปะนี่เกี่ยวเรื่องเรตั้งค่าเองไง แต่แกต่ตั้งข้า <amo> ว่าไม่เกี่ยวอ๋อล l l a h พูดถึงพวกมุนาฟิกนู่นน่ะแล้วเราโอ้สวรรค์แท้ๆเชาสวรรค์แท้ๆตั้งข้าไว้แล้วไง เราตั้งค่าไว้แล้วโอกาสที่เราจะไขควนมันก็ไม่มีทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะตักุนนารันละที่อิดด์ลิลกาเวรีระวังนรกที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สําหรับกาเวรกอลลอฮเตรียมนรกให้กาเวรแต่นั่นไม่ใช่มาลุบะผู้เทตานี่ยจะไม่ตกนรกตบนรกมั้งเงอัลลอฮ์เตรียมไว้สําหรับกาเวร์ก็จริงนะแต่ผู้เทตาเนี่ก็มีสิทธิมีพฤติกรรมเหมือนกาเวร์ตกนรกเหมือนกาเวร์นั่นคือหมายรวม อีกความหมายหนึ่งที่อลมาได้บอกว่าคนที่ตั้งค่ากับหัวใจและสมองตัวเองที่จะไม่ใคร่ควรคุรอา่านไม่ได้ประโยชน์จากคุรอา่านอัลลอฮก็จะตั้งค่าในคุรอานที่จะไม่ทะลุอหัวใจของพวกมันเลยหมายร่วมว่าขอให้เขาฟังจะฟังแค่ไหนแค่ไหนอ ะ, นะ่นะฮิดายะ ทางนำที่อัลลอฮจะให้เนี่ยอัลลอฮฺอนุมัติแล้วนะไม่มีใครสามารถปิดบงังไม่มีใครสามารถไม่มีใครสามารถกีดกัน้นถ้าทางนำผมเล่าหลายครั้งว่าเรื่องฮิดายะนี่นะไม่จำเป็นต้องปรากฏในรูปแบบ ที่เป็นทางการที่เราเองเนี่ยเข้าใจว่าอิหร่าน ก, ก็ต้องเป็นแบบนั้นสิ่าสนาบ้านเราเนี่ยคนจะมารับอิสลามคนจะเข้าใจอิสลามาก็ต้องมาเรียนรู้อิสลามต้องมารับอิสลามในมัสยิด ห, หรือศูนย์กลางหรืออะไรเนี่ยทำไมอะ่ะจะรับอิสลามถ้าอัลลอฮ์จะประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เขารับอิสลามจะเพลง ฟังเพลงแล้วก็เออเก็บความจริงทางห น, นัถ้ารัประสงคนะ์อ่ะแสดงว่าพระประสงค์ของ Allah Subhanahu wa t a ม l a ทอ่เาเรียกว่า علم الله فيهم خيرا และ ا, ا س ม ع ه ถ้า Allah รู้ว่าเขามีมความดีเนี่ย Allah ใจเขาได้ยินถึงแม้ว่าไม่มีคุรอานถึงแม้ว่าไม่มีคุรอาน บาดหลวงขายเครื่องดนตรีว่าแต่แซนเนี่ยเขาก็เขาก็ร้องเพลงในโบสถนะขาเครื่องดนตรีก็ขายเครื่องดนตรนทีทั่วโลกแล้วก็มีมุสลิมจากไไเบเดียบเออมีเว็บไซต์ เขาก็สั่งซื้อสั่งซื้อแล้วก็เดินทางไปเวริการเนี่ยไปไปขนของนะถ้าทางบาตหลวงทงั้งทั้งลูกทั้งพ่อเนี่เป็นบาทหลวงก็เลยเชิญลูกค้าเขา้ามากินข้าวที่บ้านมากกว่วทเจอลูกค้าเนี่เป็นมุสลิมโอ้ยสุดยอดได้ทั้งขายเครื่องรีรและก็ขายสัสนาด้วย มุสลิมนี่นะเขาจะเอาเครื่องดนตรีจากอเมริกาเนี่ยไปขายที่อียิปต์เนี่ยให้นักร้องที่เขาร้องเพลงตามคาราโอเกะเขาไม่ได้ทำงานศาสนาเขาไม่ได้เป็นดาอีเขาไม่ได้เรียนศาสนาเขาไม่ได้เรียนกุรานแล้วไม่ได้ภารกิจของเขาที่จะมาที่จะมา นำเสนอความจริงและสัจธรรมแต่บาทหลวงนี่ก็เชิญชวนเขาให้เชื่อในพระเยซูเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาง่ายๆะนะคุณอธิบายผมเออน่อยอธิบายนิดนึงพผมยังสับสนอยู่ว่าหนึ่งสองสามมเป็นหนึ่งได้ไงอ่ะพระบิดาพระบุตรพระจิตนี่สามแต่องค์เดียวแต่องค์เดียวอันนี้อธิบายถ้าผมเข้าใจนะผมยอมเข้าศาสนาคิด ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้คนนี้เขาเขไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาแต่ก็ได้ยินได้ยินมาเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่องคือประเทศอีบามีทั้งมุสลิมแล้วะคริสเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเขาก็คุยกันว่าเล่นแนวเรื่องธรรมดาว่ายังไงุสาพระเจ้าพระเจ้าเดียวสามเขางงงกันมานานแล้วอะแต่แต่ก็เรุมดีนุกุมวยเรียดีในศาสนากุงงแต่กูก็ไม่ยุ่งอะไะอายุไปอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้น่ะ คือเขาก็เชื่อแบบนี้แต่อั น, นี้เขาเห็นเขาคุกคามเอ้ยมาเข้าศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์มันดีอย่างนี้อย่างดีอย่างงุน้นได้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้ที่กูงงอ่ะง ง, ง, ง, งอยู่งงอยู่เรื่องเดียวอ่ะที่กูงงมาตลอดอะอธิบายให้หน่อยดิพอดีพางงไปด้วยอ่ะก็ผมก็เออเขาบอกว่านี่คือคําถามที่มุสลิมไม่มีความรู้ก็นีอว่าถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าเขามีความดีใจะให้เขาเนี่ย รู้ความจริงเห็นความจริงได้ยินศจลธรรมถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ใช้กุรอา่านเขาไม่ไดเอากุรุอ่านมาโตกับเขาเลยนะเขาไม่ได้ทัองจำกุรอุอ่านเขาจำนานเครื่องดนตรีเออจะบอกว่าโดรีไมฟาสอะไรต่อแต่เนื่องจากว่าหัวใจเขาไม่มีความดีอมตะก็จะไม่ให้เขาได้ยินเพราะยังไงก็ตามหัวใจของเขานี่ยไม่มีความดีหัวจะผินหลัง ให้กูอ่านอยู่แล้วสมมุติสมสมุตินะมาเรียนตับซีนนี่คนบังคับให้มาเฮ้ยต้องต้องไปเนาะไม่อยากมาไนก็ไม่อยากมาก็ไม่อยากฟังด้วยยิ่งฟังเสียงแห่นี่มันคันหู ฟังเสียงไม่อยากฟังเลยขอให้เสียงดีขอให้เสียงไพเราะขอให้อธิบายอย่างดีขอให้ผมมีเทคนิคอะไรนะคือถ้าหัวใจเนี่ยมันพร้อมแล้วที่จะไม่รับะนะมันก็ไม่มีวันที่จะรับประเด็นอยู่ที่ความพร้อมอัลลอฮสุบฮานะหัวใจละพูด คือทุกสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยมันสวยงามเพราะอัลลอฮ์ท่านไหนว่าอ mm ิน hmm. นัลลอฮะเจมีลุนอัลลอฮ์ทรงสวยงามอัลลอฮ์ทรงมีความสวยงามคืออย่างนี้คําว่าสวยงามเนี่ยเนี่ยเรามักจะใช้กับเพศหญิงภาษาไทยอะนะอ่าถ้าถ้าผู้ชายก็หล่อถ้าผู้หญิงก็สวยแต่ว่าไอผู้ชายนี่สวยจังเอก็ก็เขยแล้วเข้าใจไม่ดีแล้วใช่ไหม แ ต, แ, ตแต่อันนีมน้มันเกี่ยวกับภาษาไม่เกี่ยวดนั้นในภาษาอาหรับเนี่ยอินนัลลอฮจะมีลุ่นความสวยงามของอัลลอฮเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเหมือนความเข้าใจในภาษาไทยเนี่ยถึงบอกว่าแม้กระทั่ ง, ร, ง, ร, ง, ร, งร่างพระราชบัญญตัติคู่ชีวิตนี่นะมันก็จะเปลี่ยนโครงสร้างภาษาไทยด้วยนะเออคำว่าสวยหล่อนี่ก็ไม่ใช้กันแล้วไง อ, อ, อันนี้เราจะแปลาคาว่าอินนัลลอฮจะมีลุ่น jamil jamil นี่คือจะแปลว่าหล่อหรือสวยนี่มันก็มันก็ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ไม่ไม่มีพิษไงแล้วไม่มีพิษแต่ถ้าจะแบบอัลลอฮ์ทรงมีความสวยงามเพราะความสวยงามในโลกนี้เนี่ยใครเป็นผู้สร้างอะ่ะไอสิ่งที่เราสวยจังเลยอไอความสวยที่เราทึ่งกับมันน่ะใครเป็นผู้สร้างอะ่ะอัลลอฮ์แล้วถ้ามันสวยจนทึ่งอะ่ะและ้วผู้สร้างอะ่ะ จะขนาดไหนอะและสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่สวยงามเหรอแล้วคุตัานเนี่ยมาจากไหนอะก็มาจากอัลลอฮ์เะนั้นคุตัานนี่นะต้องมีความสวยงามมีความพร้อมที่จะให้เราเนี่ยได้ถึงกับมันแน่นอนแต่คนที่ฟังคุตัานคนนี้ไม่เห็นความสวยงามของคุตัานก็เหมือนคนที่เห็นดอกไม้ แต่มองว่ามันเป็นกองขยะคนนี่มองดอกไม้ว่าเป็นกองขยะจะกล้าเอาจมูกไปดมกลิ่นไหมก็มันเป็นขยะไงมันเป็นน้ำหนองไงจะเอาจมูกมาดมได้ไงอ่ะแต่คนที่เห็นความสวยงามถึงกล้าที่จะ ม, มันหอมจังเลยคุณอ่านของอัลล์นี่มันก็คือกุณอ่านของอัลล์แต่อยู่ที่ว่าเราเราอมองคุณอ่านเอง ทำไมคอนเสิร์ตไม่ใช่ประเทศไม่ใช่บ้านเราอ่ะนะทุกที่อะซาอุดีดูดีมาคนผิวดำหน้าตาไม่ดีเลยนะ อ, อ, อ่ะร้องก็ร้องไอทํานองไอบา้บาบา้บาบอของเขาว่ามันยังไงแต่เขาก็มองว่ามั น, ม, น, ม, นมันเท่อะมันไพรอะอะก็พากันมาทั้งบางเลยก็มาฟังกันนะ่ะ และอุลมามะที่ซาอุดีที่มีความรู้ที่อธิบายคุตอาจเนี่ยมีไหมมีและเขาสอนกันไหมมัสยิดมัสยิดนบีมัมสยิดฮารอมนสอนกันไหมสอนไปดูดิฟังกันดีคนนะมันผิดอยู่ที่กุตอานปะใช่ผิดอยู่ที่เราว่ามีแหละครับขอดูอาให้เราได้เห็นความสวยงามของคุตอานแค่นั้นแหละให้เราได้ ได้ปราศจากไม่มีสิ่งปิดกัน้นถูกหลอกลวงเรื่องคุณงามความดีที่มีอยู่ในคุตตานเนี่ยบางทีก็มันก็มาจากการที่เราได้สะสมอะไรมาในชีวิตของเราสะสมเรื่องบาปเรื่องความผิดเรื่องอะไรมันก็มันก็ไปสร้างมาตรฐานพอไปดูคุตตานยังไงก็ไม่ เหตุใดทำไมคนที่มียินเข้าเนี่ยเขาไม่อยากฟังกุศอ่านเพราะตัวเขานี่ยเขาไม่ได้ฟังกุศอ่านที่มันฟังนี่คือยินยิงแล้ไม่เอาไม่เอาไม่ฟังก็คือยินไงมันรู้สึกทรมาน